ตอนนี้ฝนกําลังแสดงธรรมให้เราอยู่แสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครบังคับฝนให้ตกหรือหยุดได้คือเขาก็ทำหน้าที่อยงเขาช่วงนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วอรรมาพูดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพรรานี้เพราะว่าเดี๋ยวใครพวกพักใหม่ได้เปิดใจผููธรรมะกันช่วงก่อนออกพรรษาวันนี้ธรรมาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการแสดงธรรมคือเป็นธรรมะนอกรูปแบบ ต่างๆมีพระรูปหนึ่งไปเก็บฟืนได้มากองใหญ่เสร็จแล้วขนกลับวัดระหว่างทางก็ไปเจอเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังวิ่งไล่จับผีเสื้ออยู่เด็กจับผีเสื้อได้แล้วเจอพระก็ค่อยมาทักทายว่าหลวงพี่พนันกับผมไหมพระก็ยิ้มยิ้มแล้วเอ่ยว่าพานันอะไรหลวงพี่พนันกับผมว่า ผีเสื้อที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็นรื้อตายถ้าหลวงพี่แพ้จะต้องเสียฟืนกองนี้ให้ผมหลวงพี่ก็ตกลงแล้วมองไปที่มือของเด็กวัยรุ่นคนนั้นแล้วก็เอ่ยพิทว่าผีเสื้อตายแล้วเด็กก็หัวเราะบอกหลวงพี่แพ้พนันผมแล้วแล้วแบมมือออกผีเสื้อก็บินบินออกมาหลวงพี่เอาฟืนให้เด็กไปแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจากไป อ้ที่สร้างความแปลกใจให้กับเด็กคนดีมากเด็กก็แบกฟืนกลับบ้านไปแล้วก็เล่าเรื่องที่ให้พ่อฟังพ่อก็ตีไปทีหนึ่งแล้วบอกให้เด็กเนี่ยแบกฟืนเดินตามพ่อมาไปที่วัดใครไปถึงผู้เป็นพ่อก็ก็บอยลูกแล้วตัวเองนะก็กราบขอเข้ามาขอเข้ามาในความโง่เขลาไม่รู้จักที่สูงที่ต่ําของลูกชายพระก็ไม่ได้ตอบอะไรนะพ่อกลับพระเสร็จ ก็พาลูกกลับบ้านเด็กชายคนนี้ก็สงสัยเอ๊ะตัวเองทําอะไรผิดพอถึงถึงมาดุด่าว่าพ่อบอกว่าเจ้าเนี่ยพนันกับหลวงพี่ถ้าหลวงพี่ทายว่าผีเสื้อตายเองก็ปล่อยแต่ถ้าหลวงพี่ทายว่าผีเสื้อเป็นเองก็จะบีบผีเสื้อให้ตายสรุปแล้วพาคก็เสียฟืนอยู่ดีเมื่อจะเป็นหรือตายหลวงพี่นะ่ะรู้ใบชั่วชัวรเอง จึงยอมเสียฟื้นทด้เองแต่หลวงพี่ก็ชนะชนะเจ้าด้วยดวงจิตเมตตาดวงใหญ่เรื่องนี้ก็ให้แง่คิดสอนนะว่าบางทีจิตที่เมตตาเนี่ยบางครั้งก็ยอมสูญเสียะไรบางอย่างแล้วก็ได้ความสุขเด็กคนนี้ก็ได้ธรรมะนอกรูปแบบบางครั้งเราสังเกตไหมว่าเราทำอะไรเนี่ยถ้าเรายิ่งรีบเราเรายิ่งช้ายิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้ ยิ่งเรียกร้องอะไรล่ามักจะผิดหวังเสมออิจิซานเซ็นเรื่องหนึ่งวิชายหนุ่มคนหนึ่งอยากเป็นสบูรัยที่เก่งจึงเดินทางไปหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นในยุคนั้นใครไปถึงก็เขาฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเอ่ยปากถาอาจารย์ว่าจะฝึกสำเร็จช้ใช้เวลากี่ปีอาจารย์ตอบว่าเจ็ดปีชายหนุ่มรู้สึกว่าเจ็ดปีนี่นานมากเลย จึงเอ่ยถามอีกว่าถ้าผมเนี่ยตั้งใจฝึกหนักขึ้นกว่าเดิมหนักแล้วก็ตั้งใจจริงกว่าเดิมเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีอาจารย์ก็ตอบว่า14ปีโอ้โหคำตอบนี้ชายหนุ่มเซ็งเหมือนไม่รู้จะทำไงเลยถามเพื่มอีกตอนนี้พ่อผมก็แก่แล้วอยากเห็นความสาเร็จของลูกอยากเห็นผมเป็นสบุรไลที่เก่งกาจผมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิต อุทิศให้อาการฝึกครั้งนี้เพื่อให้พ่อได้ชื่นชมฝา่าสำเร็จก่อนตายจะใช้เวลานานแค่ไหนครับอาจารย์ตอบว่า21ปีก็เลยไม่ได้จะคุยกันต่อไงช้หนู่มไม่รู้จะทำไงนะเพราะว่าจะไปหาอาจารย์อื่นที่เก่งกว่านี้ก็ไม่มีจึงจำเป็นต้องอยู่กับอาจารย์ท่านนี้แหละอาจารย์ก็ให้มีหน้าที่เนี่ยช่วยงานผ่าฟืนตักน้าแล้วก็ทางานโรงครัวหุงข้าวอะไรพวกเนี้ย แแต่อยช่วยได้ใช้หนุ่มทำไป ท, ทุกวันทุกวันผ่านไประยะหนึ่งอาจารย์นี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องสอนดาบเลยเลยนะใช้ทํางานอย่างเดียวขณะที่ใช้ยหนุ่มกำลัง ก, งกอ่อฟืนอยู่ที่หลงครัวเนี่ยอาจารย์ก็ย่องเข้ามาแล้วใช้ดาบไม้เนี่ยตีไปที่เต็มกลางหลังของชายหนุ่แล้วเต็มแรงเลยชายหนุ่ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอาจารย์ก็ไม่หยุดแค่นัจักตีต่อชายหนุ่ไม่มีทางเลือกเลยเจอฟืนเจออะไรก็ป้องกันอุตลุดอะ เพื่อไม่ห้อาจารย์ตีอาจารย์ตีจนหนำใจแล้วอาจารย์ก็เดินจากไปหน้าตาเฉยแล้วอาจารย์ก็แอบย่องมาตีอีกตอนที่ชายหนุ่มเผลอไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนบางทีขนาดนอนๆอนก็เอาเอาดาบไม้เนี่ยมาตีจนทาให้ชายหนุ่มเนี่ยต้องตื่นตัวตลอดเวลาเลยเพราะถ้าเผลอก็โดนตีวันแล้ววันเล่าต้องคอยระวังอาจารย์ย่องมาเงียบพอถ้าถ้าเผล่เจ็บตัวไงว่าอาจารย์ไม่บอกจะมาตอนไหนแล้วไปตอนไหน ไปมาไร้รองรอยจนในที่สุดใช้ดุ่มก็ฝึกสมุไรสำเร็จโดยที่อาจารย์ไม่ได้สอนเลยอาจารย์สอนสายชายยานการป้องกันตัวให้การตื่นตัวแล้วใช้ดุ่มก็ต่อยอดเราเองจนในที่สุดเนี่ยก็สำเร็จก่อนํำหนดไม่นานก็กลับบ้านได้แล้วก็เป็นสมุไรชื่อดังอันนี้เป็นอุบายสอนของอาจารย์นะที่มีวิธีสอนลูกศิษย์ที่ไม่เหมือนใครสอน ล, ลอลกรูปแบบ แล้วก็ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จได้เหมือนเราปฏิบัติธรรมมาแหละถ้าเกิดเราอยากให้เห็นรูป <c oughs> เห็นนามเร็วๆอยากบรรลุธรรมเร็วๆอันนี้ก็จะ ย, ยิ่งช้าต่างกับการปฏิบัติธรรมที่วางใจสบายๆไม่หวังไม่คาดหวังแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองเบรรลุอะไรอันนี้จะง่ายกว่าเรื่องต่อมาสมเด็จผู้จารต์โตหรือหลวงพ่อโตเนี่ย ท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากของกงรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่สท่านก็เป็นพระที่สนิทกับในหลวงรอศีด้วยหลพระโ ต, ตจะเป็นจะเป็นคนที่แปลกๆไม่เหมือนคนอื่นการแสดงธรรมขท่านก็แปลกๆอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปแสดงทําคู่กับเจ้าคุณพิบนธรรมหรือเจ้าคุณถึกแห่งวัดพระเชตุพลโดยแสดงธรรมสามารถคู่นะเจ้าคุณถึก ท่านก็ตั้งหัวข้อว่าโทโสเนี่ยเป็นกิเลสสำคัญทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับเจ้าของทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองเสียเพื่อนเสียพ้องเสียนาเสียไล่เสียชื่อเสียเสียงแล้วหันมาเอ่ยถามสลวพโตว่าโทโโทโสเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดเพราะอะไร ขอให้แก้ให้ข่าวด้วยครับหลวงพ่อโตทัดก็แกงนอนหลับทำเป็นไม่ได้ยินแถมส่งเสียงกลนด้วยเจ้าคุณถึกถามไปตั้งหลายรอบชักโมโหก็เอ่ยขึ้นด้เสียงก็ดังว่าถามไม่ฟังนั่งหลับนายหลวงพ่อโตตอนเมื่อกี้แกงหลับตอนนี้แกงตื่นแล้วแต่โกนด่าออกไปว่าไอ้เปรตไอ้หาไอ้กากไอ้ถึกวนคนหลับ เท่านั้นแหละเจ้าคุณถือโกรธมากจับกระโถนดินเผาได้เฟี้ยงไปที่หลวงพ่อโตวันทีเลยแต่เผิอไม่โดนไปโดนเสากระโถนดินเผาแตกดังเพละสร้างความตกตะลึงให้กับญาติโยมที่ฟังธรรมอยู่เต็มสาราแต่หลวงพ่อโตเนี่ยทัานนิ่งสงบนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆว่าโทโศโหังเกิดขึ้นเมื่ออนิฐาลม ที่ไม่ชอบเช่นเห็นรูปไม่สวยได้ยินเสียงที่ไม่เพาะดมกลิ่นที่ไม่ที่เหม็นไม่ถูกใจได้รสที่ไม่อร่อยได้สัมผัสที่ไม่สบายความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถึงทำให้เกิดโทโสหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจนั่นแหละที่มากระทบเราแล้วก็ยกตัวอย่างเจ้าคุณถึกให้ฟังว่าโทโสเนี่ยถึงจะมีอำนาจมากแต่ไม่สามารถกดที่คมเหงผู้เป็นเจ้าของได้ถ้าเจ้าของไม่โง่และเผิอส ต, ติดังเช่นเจ้าคุณถึกนี้ เมื่อไปสำรวมก็แสดงความโกรธออกมาให้คนอื่นเขารู้ว่าเราโกรธถ้าเขาชื่นชมยกยอท่านพระเดศพระคุณท่านก็ยิ้มเวลาเขาดา่าท่านก็โกรธหลืงพ่าโตบอกโยมว่าเนี่ยให้ดูเจ้าคุณถึกเป็นตัวอย่างเพราะขาดความสำรวมสวังวรละวางเนี่ยจึงทำให้กระโโตกแตกดังโพไม่เป็นพระแล้วก็จบหลวงพ่อโตแสดงธรรมแบบสดๆนะ นอกการเทศนอกรูปแบบชี้ให้พระพิบรลธรรมหรือเจ้าคุณถึงเนี่ยแสงโกรธออกมาต่อหน้าโยมแล้วก็เอาเรื่องของเจ้าคุณถึงเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนโยมไปให้เห็นโทษของความโกรธความที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้มีผลมากกว่าการเทศปกติหลงวงพ่อโตก็อึดอาจใจกับเรื่องในวัดเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นสมเด็จและเปเจ้าวาบางครั้ง พระในวัดก็บักจะประจบประแจงเวลาท่านแสดงความเห็นอะไรเนี่ยพระจะเอออเอออด้วยทุกครั้งทำให้ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะพระในวัดไม่จริงใจแล้วแล้ววันหนึ่งก็มีคนนำแกงอุนเส้นชามใหญ่เลยเอามาถวายหลวงพ่อโตก็นึกอุบายจะสอนพระในวัดได้จึงบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเอากระทะใบบัวใบใหญ่มา แล้วก็เอาแกงชามนั่นแหละเทใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยหาปักบุ้งมาที่ข้า ง, างวัดมาหั่นเป็นร้องปองแล้วก็ใส่ไปในแกงวุ้นเส้นแล้วก็นาอาหารที่เหลือมาใส่รวมกันทั้งหมดแหละคนไปคุกเขากันไปตอนนี้จะดูไม่น่ากินสเมเป็นโตก็บอกลูกศิษย์เนี่ยให้ประกาศเลยแล้ววันนี้ใครพระเ น, นที่วัดรักเนี่ย รับอาหารเพลโดยท่านเนี่ยเป็นคนลงมือทําเองแกงร้อสมเด็จให้พระเนยออกมานะคัดถึงเวลาพระเนยก็นําอาหารที่ท่านทำเนี่แหละไปฉันกันคันถึงตอนเย็นเวลาทำบ้าดเย็นหลวงพ่อโตก็ไปดักรอที่โบสถ์พพเพราะพระเนยต้องมาทำบ้านที่โบสถนะ์ไงท่านก็ถามพีละคนเป็นยงไงบ้างแกงร้อมันฉนันอร่อยดีไหม พาณิชยที่เดินผ่านไปก็ตอบเทียรูปอร่อยดีครับจนในที่สุดมาถึงหลวงตาที่บวชอยู่วัดลักางบาหลายสิบปีหลวงพ่อโตก็เอ่ยถามหลวงตาหัวตาแกงร้องข้าฉันเป็นไงบ้างฉันทําเองกับมือเลยนะอร่อยไหมหัวตามองหน้าหลวงพ่อโตแล้วก็แล้วใส่หน้าเอ่ยขึ้นว่าไม่ไหวพระเดชพระคุณท่าน กับผมเนี่ยเทให้หมาหมายังไม่แดกเลยหลวงพ่อโตก็ยกมือสาธุหัวาตานี่เป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์แท้ไม่โกหกหลังจากพระเนสนสวดบนถวัลเย็นเสร็จหลวงพ่อโตก็แสดงธรรมเกี่ยวกับโทษของการบุษาการโกรหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนเราต้องพูดความจริงไม่ไปจบประแจงหัวาตานี่แหละเป็นตัวอย่างให้ดีเลยนาหัวต า, าไปยกเป็นตัวอย่าง เรื่องนี้ก็จบอันนี้เป็นอูบายสอนธรรมของท่านโดยใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาประยุกเพื่อได้ผลหลวงปู่ชาก็เหมือนกันหลวงปู่ชาเนี่ยจะมีอูบายสอนลูกศิษย์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างช่วงวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทงางศาสนาเนี่ยที่วัดหนองอโงงจะไดสจัชิกแล้วหลวงหลวงปู่ชาเนี่ยก็ยนบน ส่วใหญ่หลวงปู่ชาเซียทำเองแต่บางครั้งก็จะ่างนิโมลูกศิษย์ให้ขึ้นพูดโดยไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็ไม่ให้ลูกศิษย์เตรเียมตัวทุกครั้งที่ถือวันพระใหญ่ะลูกศิษย์จะเสียววูบเลยสายตาหลวงปู่กวาดไปทางไหนคนนั้นมักจะโดนมีอยู่ครั้งหนึ่งนิโมลหลวงพ่อสซเบโตซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระใหม่ไม่ภาษาเพิ่งบวชไม่นานให้ขึ้นพูดอาจารย์เซเบโตก็พูดไทยอย่างไม่ค่อยคล่อง อาจารย์ใช้ให้พูดก็พูดอ่ะพูดไปได้ชั่วโมงหนึ่งจะลงจะทมาแล้วเห็นอลพูดพอสมควรแล้วกอมแก้มไปได้อยู่หลวงพุชาก็บอกยางๆพูดต่อพูดต่อยังเลิกไม่ได้อาจารย์สุเมโทก็จำใจต้องพูดชั่วโมงที่สองในฟาร์มที่เป็ น, เ ป, นเป็นภาพฝรั่งเนะ่ะภาษาไทายยังไม่แข็งนะก็นั่งพูด ว, ไวนไปเวียนมาอยู่นะนะั่นแหละญาติโยมที่อยู่บนสารา ก, ก็นั่งฟังไป ค่อยหลับไปทีละคนสองคนสลับส่วนใหญ่หลับอ ะ, อะเพรฟังแล้วเบื่อฟังไม่รู้เรื่องวนไปวนมาขันครบชั่วโมงที่สองจานตุเวนโลงจะลงจะทําดหนุ่มผู้ช้าบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดต่อเป็นชั่วโมงที่สามท่านก็พูดด้วยฝวามจาใจที่ตอนนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะก็เวียนไปวนมาเหมือนเดิมแหละญนะาติโยมหนักกว่าเดิมแหละคือหลับหลับสบายเลยตอนนี้ไม่สนใจฟังทแล้วละบรรยากาศสิ่งแวดล้อม เซนไปได้ความเหมือนนักลกสาหรับนักเทศเลยเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยจะมีอัตราเยอะไงทาอะไรต้องประสบความสําเร็จแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบเนี้ท่านก็หดหู่เศร้าใจแต่ถ้าก็พูดจนจบนะสามชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านเหตุการณ์นั้นเนี่ยท่านก็ไม่กลัวการเทศที่ไหน เ, เลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลวร้ายต่าเหตุการณ์ครั้งนี้อีกแล้ว มาตอนหลังหลวงปู่ชานี่บนขึ้นเทพเนี่ยท่านก็เตรียมตัวนะไปอ่านหนังสือมาเตรียมเรื่องอย่างดีเลยขัดเทพเสร็จประกาศหลวงปู่ชาหรูปชาก็ตำหนิว่าทําอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยการเทพก็เทศพจากใจจริงพระใหม่ที่เทพเนี่ยจะต้องไม่เตรียมเรื่องไม่เตรียมหนังสือให้ผู้จากใจคือหลวงปู่ชาไม่ได้เรียนในพระสอนโยมแต่เนในพระสอนตัวเองให้ดูใจขณะที่เทพเนี่ย เป็นยังไงบ้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆคือน้องก็พงเนี่ยเน้นสอนพระไม่ได้เนสอนโยมแต่ถ้ารัดอื่นถ้าจะเน้นสอนโย ม, โยมไม่เด้นสอนตัวเองไอ้ น, นี่จะต่างกันถ้าเน้นสอนโยสอนคนอื่นเนดะี๋ยวต้องเตรียมหนังสื อ, ตอเตรียมเรื่องมาพูดไงบางการโยก็ฟังเซ็งก็ไม่ฟังเรื่องนี้กครง่คิดกับนักแสดงทำอาจารย์โพบังโสยู่ครั้งหนึ่งท่านภาษาสี่แล้วตอนนั้นท่านปฏิบัติธรรม มีความตั้งใจมากเลยจนจิตสงบเกิดสบาธที่มีปิติต่างๆรู้ตัวเร็วขึ้นทานก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วปลื้มใจมีความสุขมากตอนนั้นแล้วเช้าวันใหม่ขนาดที่จะรับอาหารหายเช้าเนี่ยก็มีแกงหมูบม้อใหญ่ซึ่งปกติหนองพงเนี่ย อาหารก็มีแกงปลาเป็นหลักพราก็ต้องทอนกินปลาและอาหารที่มันนำมาผสมกันหาความอร่อยไม่ได้เลยวันนี้อาจารย์พรมวุฒิดีใจฉลองการบรรลุธรรมเจ้าวาดตักแกงหมูไปสามสพใหญ่ๆอาจารย์พรมตำหินในใจนะว่าต ก, กะคิดในใจ เ, าจเา่าเจ้าวาดต ก, กะตักต้องสามสัพี่ใหญ่สักพักหนึงแต่ยังไงก็ถึงเราอยู่แล้วพรมยังบ่อใหญ่ไะแต่แล้ว ความหวังของอาจารย์ผมก็ต้องพังทลายลงเมื่อเจ้าว่าหันกลับมามองที่หม้อแกงหมูแล้วก็ดาแกงหมูเนี่ยไปเทใส่กับแกงปลาร้าแล้วก็คนค น, คนผสมกันเลยอันนี้ทําให้อาจารย์ผมเศร้ามากเลยเจ้าว่าก็เอ่ยคิดว่ารสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละอาจารย์ผมก็ด่าจเจ้าว่าในใจไม่ได้ออกเสียงนะไอหมูไอขี้โกงเอาเปียบคนอื่นแสงความโกรธออกมา แต่โกรธได้ใจนะสักพั้งหนึ่งถ้าก็คิดขึ้นมาได้เอ๊ะคนบรรลุธรรมมันโกรธได้ได้วยเหรอไปด่าเจ้าว่าตัวเองไอ้หมูขี้โกงอย่างเงี้ยถ้าเกิด จ, จาใจตักแกงปลาราผสมหมูวันนั้นถ้าก็นั่งซึมเศร้าทั้งวันเลยเข้าใจผิดชี้เตะบรรลุธรรมแต่ยังไม่รบรรลุบางทีฟาร์มจริงดีกว่าการหลอกลวงนะบบางทีเขาขี้เราเองบรรลุธรรมแล้วเราไปต่อไม่ได้เนี่ยก็ทําให้ชีวิตเสียหาย ท, งทางโลกก็ทางธรรมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นบุญชนก็ฝึกต่อเนี่ยก็ดีกว่า รู้ว่ามีกิเลสไม่หลอกตัวเองรู้ว่ามีความโลภความโกรธความหลงถ้าเรารู้เรารู้จักตัวเองเนี่ยเราแก้ไขได้แต่ละคนจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยโลภก็ไม่รู้ว่าโลภโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธหลงก็ไม่รู้ว่าหลงอิจฉาก็ไม่รู้อิจฉาขี้หึงก็ไม่รู้ตัวเองขี้หึงแล้วก็ใจร้ายหรือขาดเมตตาเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเองเบียดเบียนอันนี้อันตรายกว่าคนที่รู้กิเลสตัวเองซึ่งสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ที่หลายคนเนี่ยเสียเวลาแล้วก็ต้องตายไปกับฟาร์มที่ฝึกไม่ได้เพราะไม่มีใครสอนได้ต่างกับคนบางคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเห็นจุดอ่อนตัวเองก็องคอยแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจนพ้นจากนิสัยเดิมๆ เ, เรื่องชะตาชีวิตหรือวาสนาเนี่ยเกิดไปเกี่ยวกวับเราสร้างเองนั่นแหละนิสัยต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่ดีเรารู้เราก็ปรับปรุงให้เป็นคนดีได้คือแก้ได้แต่ต้ารู้จักตัวเองก่อนถ้าไม่รู้จักตัวเองว่าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วกแก้ไม่ได้เลย อย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อัดมาภาษาใหม่เราก็คนเราก็ศึกษาธรรมะจากอาจารย์ต่างๆแล้วอจออาจารย์ปาโมดหลวงพ่อโมศีหรืออาจารย์โน้อาจารย์นี้เยอะแยะหมดอะ่ะคือช่วงอรตมาบวชมามาก็อยากบรรู้ธรรมนะก็เลยเตรียมตัววางแผนเพื่อฝึกตัวเองอะภาษาหนึ่งเนี่ฝึกหนักมากภาษาสองนี่พยายามหลบหลีกไม่พูดกับใครเลยใครเดินมาก็เดินหลบคือใช้ชีวิตง่ายๆแบบข้อข้างจริงจังแล้ว ว่างก็อ่านหนังสือธรรมะอะไรคือช่วงภาษาหนึ่งภาษาสองเนี่ยถือว่าจะเรื่องฝึกจริงมากแต่ตอนหลังก็เริ่มผ่อนคลายแล้วเพราะเราก็ฝึกผิดด้วยฝึกพวกฟ้าไม่รู้เรื่องหลงเข้าไปในความคิดสอนคิดลูกอีชั้นแล้วปฏิบัติด้วยความอยากแต่เรารู้ตัวเดี๋ยวค่อยๆปรับธรนดาคติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอามาก็ได้คุยกับพวกพรใหม่เรื่อยมา่ก่อนนะพระใหม่พระเก่ามักจะไปกุฏิระบาไปคุยธรรมะกัน มีบางคนไปคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยมีพาร์ทลุมนึงมาคุยธะรมะ ก, กับอามานะ้คุยดุ้นคุยนี่ซาเพละแล้วเหมือนกับตัวเองแต่เข้าใจธรรมะแล้วเห็นธรรมแต่พอพระรลุนี้เผลออารมาแกงอามาพูดถึงคนที่พาร์ทลุมนี้เกียรติได้ผลเลยพระทลุ่นี้จากเมื่อกี้ยิ้มแย้มแจ่มใสตอนนี้โกรธหูเหินแดงโมโหพาร์ทลุมนี้คือปรุงแต่งช่วยไง ท่าที่ก็เรื่องไม่จริงนะพราธรรมมาก็รู้จักพระรู้ิธีท่านโกรธดีว่าถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่องค์นี้คิดหรอกองค์นี้สรุปเองโยนคาผิดให้เองก็อธิบายให้พระท่านที่ฟังว่าหลวงพี่เมื่อคู่เนี้เรายังดีๆอยู่เลยแล้วความโกรธไปอย่างไหนเห็นความโกรธไหมความโกรธมาไงโอแกก็ได้สติว่าเอ๊ะเมื่อกี้ความโกรธไม่มีเนี่ยมันจอนเข้ามาแล้วมันครอบงําถึงโกรธแล้วแกก็หัวเราะดีใจต่อดิชีเห็นอารมณ์ว่าบางทีเนี่ยความโกรธ มันมาเพราะความคิดมุงแต่งมันมาแล้วมันก็ไปหรือตัวลักคิดอ่ะถ้าคนไม่ทันมันก็ตกเป็นทาสบันครอบงำถูกเปนครอบงำแล้วก็ไปทะเลาะเบาแหวงถึงไม่ทะเลาะก็เผาตัวเองให้ทุกข์เรื่องนี้ก็บูชาหอนพาเพื่อนกันกับอาตมาเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปเยี่ยมพระรุ่นพี่ที่นับถือเนี่ยแต่พระรุ่นนี้ก็มีน้องชายเพี้ยนอยู่หลังจากที่คุยกันกับพี่ชายเนี่ยคุยสักพักนึงเนี่ย ไอ้พระน้องชายรู้สึกหัวพี่ชายนะเพราะตัวเองก็อยากคุยพี่ชายรู้สึกว่าพระองคนี้เนี่ยมาจุนจ้ากับชีวิตมาทําให้ตัวเองมีความสําคัญไงด้วยความลืมตัวจึงเข้าไปตบพาลูกเนี้ยเต็มเดี่ยวเลยจนหัวกว้างเลยภาพ น, นี้ก็เป็นเพื่อนอัตมาเแหละชื่ออาจารย์เอม็มอาจารย์เอ็มก็ืงงต ก, กใจว่าให้อยู่ๆมาตบกูเรื่องอะไรพระที่ตบเนี่ยได้สติรีบวิ่งกลับไปที่กุฏิเอาสังติพาแล้วมากราบขอเขามาอาจารย์เอม็มแต่ภาพลูกภาพลูกนี้ภาษามากกว่าอาจารย์เอ็มนะ สับนึกผิดอาจารย์เอ็มก็ไม่ได้โกรธอันมาณ์น้ำ ม, มาเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นว่าบางทีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่การควบคุมของเรานะอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้อาจจะเจอคนมาดาชี้หน้าดา่าเจอคนมาทําร้ายหรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นทังคาดฝันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้พความทุกเกิดที่เราไม่รู้ทานอารมณ์มากระทบแล้วเราก็ต้องมาฝึกสติเพื่อรู้ทานอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแล้วเราก็ไม่ตกไปท่าของอารมณ์ออกจากอารมณ์นั้นได้อันมาพูดมาก็เห็นว่าวันนี้ส่งคนกันเวลา สุดท้ายเนี่ยขอยาตโยมมีความสุขมีความเจเริญถึงกลับบ้านไปก็จะทิ้งธรรม